วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ 19, สิบเก้าเสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติที่สำคัญ อย่างยิ่งต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อการเข้าถึงพระนิพพานพ อ, อถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมไม่ได้เรียนรู้วิธีการหรือทางที่จะนำไปสู่มิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะนำไปสู่พระนิพพาน ที่ส่นสุดแห่งการเวียนว่าตาเกิด<ม>ก็จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้การจะไปพระนิพพานก็ต้องเรียนรู้ทางเมื่อรู้ทางแล้วค่อยออกเดินทางไปตามทางที่ได้เรียนรู้<ม>ทางก็จะพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง ตามลำดับต่อไปวันธรรมสวนะจึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทสี่ผู้ใรรมคือใยวิมุติใยการหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดให้มีวันพระวันฟังธรรม เดือนละประมาณสี่ครั้งด้วยกันคืออาทิตย์ละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าไม่มีการฟังเทศฟังธรรมก็จะเหมือนกับเป็นคนตาบอดคนตาบอดนี้จะไม่รู้ทางว่าทางไหนไปพาไปสู่ที่ไหนอย่างไร เพราะคนตาบอดนี้จะมองไม่เห็นทาง mm hmm. พวกเราผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกแ mm hmm. ห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็เป็นเหมือนคนตาบอด mm hmm. คนที่ไม่รู้ว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้น mm hmm. เราต้องทำอะไรกันบ้าง เมื่อเราไม่รู้และไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะไม่ได้หลุดพ้นกันดังนั้นการฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าไม่ฟังธรรมแล้วไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติผิดผิดทุกๆก ผลก็จะไม่เกิดตามที่เราต้องการการฟังธรรมจึงเป็นภารกิจสำคัญของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหยุดภารกิจการงานต่างๆหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไม่ต้องไปทำทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงทองเอามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องผ่านขั้นตอนของการดำเนินการ เพื่อให้ไปถึงวิมุตติเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานขั mm hmm. ้นตอนแรกก็เรียกว่าการศึกษา mm hmm. การเรียนรู้ทางสู่พระนิพพานว่าเป็นอย่างไรต้องทำอะไรบ้าง mm hmm. mm hmm. เมื่อเรียนรู้แล้ว mm hmm. จะได้เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง mm hmm. ขั้นต้นเรียกว่าศึกษาลําเรียน ให้รู้ทางพอรู้ทางแล้วเราก็ออกเดินทางเหมือ น, นการที่ญาติโยมจะมาที่วัดยา น, นี้ได้ถ้ายังไม่เคยมาเลยก็ต้องศึกษาว่าการที่จะมาวัดยา น, นี้มาได้อย่างไรวัดยา น, นี้ตั้งอยู่ที่ตรงไหน อ, อยู่ภาคไหนของประเทศแล้วเราต้องออกเดินทาง จากบ้านเราไปสู่วัดยานี้ต้องไปทางทิศไหนบ้างต้องขึ้นรถขึ้นเรือหรือขึ้นเครื่องบินนี่คือการเรียนรู้การศึกษาต้องรู้ว่าการที่เราจะมาวัดยานได้นี่จะมาได้อย่างไ ร, รจะต้องขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าหรือจะต้องขึ้นรถไฟหรือจะต้องขึ้นรถไ์ รืยจะต้องขับรถมาเองต้องศึกษาขั้นตอนเหล่านี้ก่อนถ้าไม่ศึกษาเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้น <c oughs> ไปทิศ ท, ท, ทางไหนออกจากบ้านนี้ <c oughs> จะต้องตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา <c oughs> เราต้องรู้ทางก่อนถ้า ร, ารู้ทางแล้ว ถ้าเราออกเดินทางไปตามทางที่เราได้เรียนรู้ทางก็จะพาเรามาสู่วัฏจันทรได้ฉ <c oughs> ันใดพระ น, นิพพานเมื่อวิมุตติก็เป็นทาง <c oughs> ก็เป็นที่ที่เราต้องการจะไปกันตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึน่งตอนนี้เราอยู่ในวงเวียนเมืนขับรถมขับรถติดอยู่ในวงเวียนวนอยู่นั่นอะ ขับวนมาแล้วกี่รอบก็ไม่ได้ไปถึงไหนวนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะออกจากวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้รู้วิธีออกจากวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ เราก็จะสามารถที่จะพาตัวเราให้ออกจากวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้พ่านิพานนี้เป็นที่นอกวงเวียนไม่ได้อยู่ในวงเวียนเราต้องหาทางออกจากวงเวียนผู้ที่รู้ทางออกจากวงเวียนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน มีคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถรู้ทางออกจากวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีบุคคล น, นี้คือพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้ได้เลยว่าการที่จะออกจากวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะออกได้อย่างไร เมื่อไม่รู้ก็จะต้องติดอยู่ในวงเวียนนี้ไปเรื่อยๆพวกเรานี้ติดอยู่ในวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานและยังติดอยู่ในวงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายนี้อยู่ในขณะ น, นี้แล้วก็จะติดอยู่ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้วิธี ออกจากวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้พวกเราเป็นพวกที่มีโชควาสนามากเหมือนคนที่ถูกพอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆการที่เราได้มาเจอผู้ที่รู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้จะไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้า โดยตรงก็ต่างแต่เราก็สามารถเรียนรู้ผ่านคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจดจำกันเอาไว้ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้คำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี้มีเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นก็คือนำพาสัตว์โลกให้ออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่จะไม่มีทางที่จะรู้ว่าเรากำลังติดอยู่ในวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเลยและเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะออกจากวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้อย่างไร คือไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต่มารู้ได้ว่าพวกเราตอนนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงเวียนนี้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนสอนบอกว่าพวกเรานี้กำลังติดอยู่ในวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ติดมา เป็นเวลาอันยาวนานมากมถ้าอยากจะรู้ว่าเราติดอยู่ในวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้นานเท่าไหร่ก็ให้เอาน้ำตาที่เราหลั่งออกมาทุกครั้งที่เราเศร้าโศกเสียใจน้ำตาที่เราหลั่งของในแต่ละภพแต่ละชาติของการหวีนว่าตายเกิดนี้ ถ้าเอามารวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรกัน mm. ด, ดูก็นแล้วกันว่าน้ําในมหาสมุทรนีม่มากมายขนาดไหนแล้วเราจะต้องร้องห่มร้องไห้กี่กี่รอบด้วยกันทุกครั้งที่เรามาเกิดทุกรอบที่เรามาเกิดเราจะต้องหลั่งน้ําตากัน mm. แล้วถ้าเอามารวมรวมกัน ในแต่ละรอบก็คงไม่เกินขันหนึ่งน้ำตาน้ำตาขันหนึ่งเราอาจจะหลั่งน้ำตาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายนี่น้ำตาที่เราหลั่งอาจจะได้ประมาณทั้งหนึ่งขันนะลอคิดดูสิว่าจะต้องมีน้ำตากี่ขันด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นะก็คือจำนวน การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีวันสิ้นสุดลงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้นำมาไปปฏิบัติเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆไม่นำมาไปปฏิบัติถึงแม้ว่าจะได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด ก็เหมือนกับไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อไม่มีไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในฐานะอะไรส่วนใหญ่ก็จะไปคิดว่าเราก็เป็นร่างกายกันเกิดมาเป็นร่างกายมีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขต่างๆหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาไปวันๆหนึ่งหาไปเรื่อยๆจนก่าจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อตายแล้วก็คิดว่าชีวิตของเราก็จบสิ้นที่ตรงนี้ไม่มีอะไรตามมาต่อไปไม่มีการ ไม่มีการไปทาอะไรต่อเพราะว่าผู้ที่กระทำคือร่างกายนี้ได้ตายไปแล้วเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วแล้วใครจะไปเกิดใหม่ใครจะไปไปต่ออันนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าเราก็จะคิดว่าร่างกายของเรานี้ เมื่อมันตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของเราก็สิ้นสุดลงจบลงที่ตรงนั้นไม่มีการไปเกิดใหม่ที่เขาเรียกว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีการไปรับผลบุญผลบาปในนรกในสวรรค์แต่อย่างใด น, นี่จะเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จะคิดแบบนี้ก็เลยจะไม่สนใจกับเรื่องของการทําบุญทําทานเรื่องของการละ บ, บาปสนใจอยู่เพียงเรื่อยอย่างเดียวก็คือจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากโลกเสียงกลินรสผลเถะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะจะไม่คำนึงถึงวิธีการของการหาความสุข หาลาบยศเสรเสริญหารูปเสียงกยิจเลย ว, ว่า<ม>จะต้องหาแบบไหนก็ตา ม, มขอให้หามาได้ก็แล้วกัน<ม>วิธีไหนที่ง่ายที่เร็วที่ได้มากๆ<ม>ก็มักจะเลือกวิธีนั้น<ม>วิธีที่จะหาได้ง่ายหาได้มากหาได้เร็วก็มักจะเป็นวิธีที่กระทำบาสนี่เอง<ม>เช่นไปหลอกลวงช่อกง ไปชิงทรัพย์ไปปนไปจี้ไปรักไปขโมยไปประพฤติผิดประเพณีหรือไปฆ่าเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ต้องการเพราะคิดว่าเมื่อตายไปแล้วก็จบ mm hmm. สวรรค์หรือนร ก, กที่อะนรกที่จะต้องไปรับผลก็ไม่มีใครไปรับผลเมื่อผู้กระทําคือร่างกายนี้ ได้ตายไปแล้วแม้แต่ทางโลกทางกฎหมายเขาก็ไม่เอาเรื่องแล้วต่อให้มาทําบาปทํากรรมหนักหนาสาหัสเท่าไหนาก็ตามพอร่างกายของผู้กระทาบาปนี้ตายไปแล้วคดีก็จบสิ้นลงต่อให้ฆ่าคนเป็นล้านคนเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคนตายมาลงโทษได้อีกล้ว<ม>ก็เลยทําให้ไม่มีการกลัวบาปกัน เพราะว่าความอยากได้ลาบยศสารเสริญความได้อยากได้ความสุขจากรูปเสียงกดลดิ่นรสผดผลาญนี่มันจะคอยบีบคั้นจิตใจให้ไปหาลาบยศสารเสงหารูปเสียงกดลิ่นรสมาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะล า, าบยศสารเสงและรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองพอได้เสพแล้วมันจะติด วเวลาเกิดความอยากจะเสกขึ้นมามันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเวลาอยากจะเสกแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งจะบรรเทาความทุกข์ทรมานย์ใจได้ก็ต้องไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิ่นรถมาเสกจึงทําให้ ไม่สนใจวิธีการของการไปหาราบยศสะะเสริญหารูปเสียงกลิ่นเ้ิศว่าจะหาได้ด้วยวิธีไหนก็ตามเป้าหมายก็คือขอให้หาให้ได้เพื่อที่จะได้มาบรรเทาความเครียดของใจที่เกิดจากความอยากต่างๆนี่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มักจะเป็นคนที่ ไม่กลัวบาปกันไม่มีเหตุเลยอดตบบาไม่มีความละอายในการกระทำบาป<ม>กลับกลายเป็นของเท่ที่คนไหนกองได้มากกองได้เยอะ<ม>กับกลายเป็นคนที่มีคนนับถือเคารพ<ม>แทนที่จะเป็นคนที่หน้าอับอายขายหน้ากลับกลายเป็นคนที่มีการยกย่องเพราะโลกนี้ทุกคน คิดแบบเดียวกันคิดอยากจะร่ำอยากจะรวยด้วยกันทั้งนั้นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วถ้าใครสามารถทำตัวเองให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ร่ำให้รวยได้ก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาเพราะว่าคนที่มีเงนินมีอํานาจก็ <พอ S 2> จะสามารถทำให้ผู้อื่นที่มาขอความช่วยเหลือ ให้ได้รับประโยชน์ในแทนสังคมแทนที่จะไปประนามคนบาปคนชั่วกลับไปยกย่องคนบาปคนชั่วกัน น, นี่คือลักษณะของสังคมที่ไม่มีความยางนายไม่มีฮิริโอตปะสังคมที่มืดบอดสังคมที่ไม่มีธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ สิ่งที่น่ากลัวที่จะตามมานี่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเจออะไรกันบ้าง mm hmm. เพราะว่าบาปที่เขาทำว้นนี้มันไม่ได้ไม่ได้หายไป mm hmm. มันรอส่งผลอยู่รอเวลาที่ร่างกายเขาตายไปแล้วบาปนี้ก็จะส่งผลให้กับใจของเขาที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย mm hmm. เขามองไม่เห็นใจกันเขามองไม่เห็นส่วนนี้เขามองเห็นเพียงแต่ร่างกายเขาคิดว่าถ้าร่างกายตายไปผลบาปก็ก็ก็หมดไปเพราะไม่มีผู้ที่จะมารับผลบาปที่ตนเองได้ทำเอาไว้แต่หลักความเป็นจริงนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดกันความเป็นจริงก็คือนอกจากร่างกายแล้ว เรายังมีอีกครึ่งหนึ่งที่เรียกว่าใจที่เป็นนามธรรมา ท, ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบาปกันแล้วเวลาที่ร่างกาย ตายไปผู้ที่จะรับผลบาปผู้ที่จะไปนรกไปอาบาย น, นี้ก็คือใจอันนี้เขาจะไม่รู้กันเขาก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันไปเป็นเป็เป็นอสุรกายกันไปตกนรกกันโดยที่ไม่รู้ว่าเขามาอยู่ในที่อย่างนั้นได้อย่างไรเพราะอาวิชชาความมืดบอดของหัวใจเขา ทำให้เขาไม่เห็นว่าเหตุที่พาให้เขามาตกนรกกันมาเป็นเปรตเป็นผีกันหรือมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันนี้มันเกิดจากการกระทำบาปของเขาในขณะที่เขามีร่างกายในขณะที่เขาได้เป็นมนุษย์กันอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้ พวกทำบาปนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปรับผลบาปเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเขาตายแล้วตัวที่ตายตัวที่ทำบาปคือร่างกายก็จบแล้วตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปแล้วนระกนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะ น, นี้ก็ เป็นเรื่องของการที่ไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่ได้ศึกษาไม่ได้ร่าเรียนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพาให้หลงผิดจะพาให้ไปในทางที่ผิดแทนที่จะไปออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะพาให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายใต้เวียนว่ายตายเกิด นานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ไม่ดีด้วยที่เรียกวเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติตายไปก็ต้องไปรับผลบุญในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เวราชาบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุร์ลตายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วพอพ้นจากก็พ้นจากบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบาปใหม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ตามก็จะไม่สนใจไม่เคยคิดเข้าวัดเพราะเห็นว่าการเข้าวัดนี่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาของการที่จะไปหาราบยศเส ร, เริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลและการเข้าวัดก็มักจะต้องขาดทุน ต้องเสียเงินเสียทองเพราะเข้าวัดก็ต้องทำบุญกันก็ไม่อยากจะเข้าวัดเสียดายเงินทองอแล้วก็เสียดายเวลาล้วสิ่งที่วัดสอนก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นรกสวรรค์อยู่ที่ตรงไหนก็มองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดก็มองไม่เห็นว่าเป็นไปได้อย่างไร ความสนใจในคำสอนของพระศาสนาก็เลยจะไม่มีกันเคยทำบาปทำกรรมเคยหาความสุขจากาลาบยศสรเสิญสุขอย่างไรก็จะกลับมาทำตามแบบเดิมเคยชอบโกงก็จะกลับมาชอบโกงเคยหลอกลวงก็จะกลับมาหลอกลวงเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยประพฤติผิดประเพณีก็จะกลับมากา itz, ระทำเหมือนเดิม แล้วพอตายไปก็จะไปรับผลบุญรับผลบาปเหมือนเดิมเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไปแต่ละภพแต่ละชาติไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นพวกที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่ได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตาม แต่สําหรับพวกที่มีศรัทธามีความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญหรือก็ดีบาปหมือก็ดีผลของบุญคือสวรรค์ก็ดีผลของบาปคืออบายหรือนรกก็ดีจะเชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็จะ พยายามหลีกเลี่ยงการไปเกิดในอบายะระงับเหตุที่จะต้องพาให้ไปเกิดในอบายเหตุที่จะพาให้ไปเกิดในอบายคืออะไรก็คือการกระทําบาปต่างๆการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดการดื่มสุรายามเมาก็จะเชื่อว่าถ้าไม่ต้องการที่จะ เห็นว่าตายเกิดในทุกขติในภพที่มีแต่ความทุกข์<ม>ก็ให้หลีเลี่ยงการกระทำบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อ<ม>อันนี้ถ้าจด้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะเรียนรู้ว่า<ม>คําสอนของพระเจ้านี้จะสอนให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวง<ม>หยุดการกระทำบาปอย่าไปทําบาป<ม>อย่าไปเสพ บ, บา ย, ยมุข เพราะอาบายามุกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ไปทำบาปได้ง่ายดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาก็จะไม่มีสติคอยยับยัง้งความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีหรือวาบยามุกอย่างอื่นเช่นเล่นการพนันก็จะมาทำให้สูญเสียเงินทองไปเงินทองที่มีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไป แล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปหามิถีด้วยการกระทำบาปด้วยการไปหลอกลวง<ม>ช่อโกงลักทรัพย์หรือถึงกับฆ่ากัน<ม>เพื่อที่จะได้เอาทรัพย์มาใช้ต่อไป<ม>การเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็มีแต่การสูญเสียเงินทองมไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย ถ้ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เดี๋ยวเงินทองที่มีอยู่ก็จะไม่พอใช้แลืเมื่อไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีที่ง่ายที่เร็ววิธีง่ายที่เร็วก็คือการไปทำบาปนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้เรียนรู้เหตุของการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุ ก, กติ้เกิดจากอะไร เกิดจากการทำบาปเกิดจากการเสพอบายามุกเป็นเหตุเริ่มต้นพอเสพอบายามุกแล้วเดี๋ยวเงินทองก็จะไม่พอใช้พอเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีกระทำบาปต่างๆน mm. เ, เมื่อทำบาปแล้วบาปก็จะมีผลต่อดวงวิญญาณต่อจิตใจที่หลังจากที่ร่างกายนี้ได้ตายไปแล้ว ดวงวิญญาณก็จะต้องไปรับใช้บาปในอบายจนกว่าบาปที่ทําไว้ได้หมดกําลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีนิสัทยที่ชอบทําบาปติดตัวมาจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต่อเมื่อได้มาเกิดในครอบครัวที่อไม่ชอบทําบา ครอบคที่ชอบทําบุญถ้ามีพ่อแม่เป็นคนที่ชอบทําบุญไม่ชอบทบําบาปพ่อแม่ก็จะคอยห้ามลูกไม่ให้ทําบาปจะคอยสอนให้ลูกทําบุญไปอยู่เรื่อยๆถ้าเชื่อฟังพ่อแม่แล้วทําตามไปเรื่อยๆก็อาจจะเกิดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยขึ้นมาเมื่อก่อนอาจจะชอบทบําบาปแต่พอมาอยู่กับคนที่ไม่ชอบทบําบาปเขาก็จะ คอยสอนคอยห้ามไม่ให้ทำบาปคอยดึงให้ไปทำแต่บุญถ้าได้ทำบ่อยๆก็อาจจะติดเป็นนิสัยขึ้นมาได้หรืออย่างน้อยก็จะมีแรงต้านมีนิสัยดีที่จะต้า น, านแรงนิสัยที่ไม่ดีนิสยัย ท, ที่ชอบ ท, ที่ชอบทำบาปที่ติดตัวมากับใจนี้ก็อาจจะถูก นิสัยที่ดีที่ได้รับจากการอบรมดูแลของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ต่างๆก็อาจจะสามารถ ő, เปลี่ยนนิสัยของตอนเองได้เปลี่ยนนิสัยจากการที่เคยชอบทำบาสมาเป็นนิสัยที่ไม่ทำบาทมาเป็นนิสัยที่ชอบทำบุญก็ได้อันนี้เปลี่ยนได้นิสัยสันดาลเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้ มันต้องมีเหตุปัจจัยที่ช่วยเช่นมาเกิดในในในครอบครัวหรือในสังคมของคนดีสังคมของคนดีครอบครัวของคน ด, คคคนดีเขาก็จะสอนให้ทำดีไม่ให้ทำาชั่วกันแต่ถ้าไปเกิดในสังคมที่ไม่ดีสังคมของคนชัว่วเขาก็จะสอนให้ทำาชั่วกันไม่ให้ทำความดีกัน อย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเคยชอบทําความชั่วมาแล้วพอมาเกิดในสังคมของคนชั่วมันก็ช่วยกันมันก็ช่วยดึงกันให้ไปทำความชั่วได้ง่ายขึ้นท mm hmm. ี่พูดนี้หมายถึงว่าอะไรที่เราติดตัวมานี้เราเปลี่ยนได้สิ่งที่ไม่ดีเราเลิกได้สิ่งที่ดีที่เราไม่มีเราทำขึ้นมาใหม่ได้ เอ็นถ้าเราไม่เคยทำบุญมาก่อนเลยเราสามารถหัดทำบุญกันได้ถ้าเราเคยทำชั่วมาจนติดเป็นนิสัยเราเลิกได้แต่เราต้องฝืนต้องบังคับการจะเปลี่ยนนิสัยนี้มันต้องอาศัยการบังคับต้องอาศัยความเพียรพยายามต้องทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆถ้าทำเพียงแค่ครัง้งสองครั้งนี้อย่าเพิ่งอย่าไปหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ต้องทาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะทำบาป ก, ก็ห้ามใจไม่ให้ทำบาปแล้วเปลี่ยนใจมาให้ไปทำบุญแทนต้องเปลี่ยนนิสัยต้องมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจและการที่จะมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจได้ก็เกิดจากการที่มีปัญญาหรือมีมีความรู้ว่า สิ่งที่ทํานี้มันมีผลอย่างไรบ้างท่านทำบาปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราทําบุญแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราต้องมีมีอะไรจูงใจจูงใจไม่ให้ไปทําบาปจูงใจไม่ให้ให้ไปทําบุญก็คือผลที่จะตามมาจากการทําบุญหรือทําบาปอันนี้ ถ้าเราเชื่อในผลของบุญเชื่อในผลของบาว่ามีจริงสวรรค์มีจริงอบายมีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ม, มันก็จะทำให้เรามีเหตุผลว่าเราจะต้องทำบุญเราจะต้องละการกระทำบาปกันถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปเกิดในอบายกันเราต้องทำบุญกันถ้าเราอยากจะไปเกิดในสวรรค์กัน เราต้องหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่การมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้รู้ทั้งเรื่องดีและรู้ทั้งเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเราก็จะได้พยายามเลิกมัน ถ้ามันมีอยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เราคิดจะทำบาปไม่ว่าจะเป็นการโกหกหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดประเพณีพอเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ต้องหักห้ามคอยหักห้ามความคิดอย่าไปทำตามความคิดเหล่านี้ เพียงแต่คิดนี้ยังไม่เป็นผลยังไม่มีผลตามมาแต่ถ้าไม่คอยหยุดความคิดเหล่านี้ปล่อยให้มันคิดอยู่เรื่อย เ, เดี๋ยวจะทนต่อความอยากที่จะทำตามความคิดเหล่านี้ไม่ได้ต้องพยายามหยุดทันทีด้วยการนึกถึงผลที่จะตามมาผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาป mm hmm. ถ้ามีความสำนึกมีความ ที่ลิมีความอายมีความกลัวบาปอดตบบามันก็จะสามารถยับยั้งการกระทำบาปได้การความคิดที่ไม่ดีได้แล้วก็ให้นึกถึงผลที่จะได้รับจากการทำความดีวความดีนี้จะพาให้เราไปสู่สวรรค์สวรรค์ในโกนี้เป็นอย่างไรเราก็มีหนังตัวอย่างให้เราดูในขณะที่เรานอนหลับ เวลานอนหลับนี่เรามักจะฝันกันบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายฝันดีนี่แหละก็คือสวรรค์และเหตุที่ทําให้เราฝันดีก็คือบุญที่เราได้เคยทําไว้แล้วในอดีตมันจะเป็นตัวผลักดันให้ใจฝันแต่เรื่องดีๆถ้าฝันร้ายฝันไม่ดีนี่มันก็เป็นเรื่องของบาปที่เราได้เคยทําเอาไว้ เป็นตัวที่มาคอยผลักดันให้ใจสร้างความฝันที่ไม่ดีในขณะที่เราตายเรานอนหลับนี่ก็เหมือนกับเราตายชั่วคราวเพราะที่ตอนนอนหลับนี้ร่างกายก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนคนตายมเมื่อใจไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหาสิ่งต่างๆมาเสพได้ ใจก็เลยใช้บุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้เป็นผู้มาสร้างเรื่องราวให้ได้เสพได้สัมผัสก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ทำบุญไว้มากกว่าบาปหรือทำบาปไว้มากกว่าบุญถ้าทำบุญมากกว่าบาปมันก็จะทำให้บุญนี้เป็นตัวที่จะมาคอยสร้างความฝันที่ดีให้กับเราถ้าเราสร้างบาปไว้มากกว่าบุญ บาปก็จะเป็นตัวที่จะออกมาสร้างเรื่องราวที่ไม่ดีสร้างสร้างความฝันที่ไม่ดีให้เราได้สัมผัสรับรู้นี่แหละชีวิตหลังจากที่เราตายไปก็เหมือนในขณะที่เรานอนหลับไปนี่ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเรามันก็จะถูกอานาจของบุญและของบาปที่เราได้ทําไว้ที่ยังสะสมอยู่ในใจของเรานี้ มาสร้างความฝันที่ดีบ้างสร้างความฝันที่ไม่ดีบ้างขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบาปมีกําลังมากกว่าก็จะเอาเรื่องเอาความฝันที่ไม่ดีมาให้เราได้รับรู้กันฝันร้ายฝันเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ในรูปหลายๆรูปแบบทุกข์ด้วยความหิวบ้างทุกข์ด้วยความกลัวบ้าง ลุงได้ความโกรธเกลียดอาฆาตทยาบาลบ้างถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะมาสร้างความฝันที่ดีฝันว่าได้สัมผัสกับความสุขในรูปแบบต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามได้พบกับคู่ครองคู่รักที่น่าดูน่าชมเป็นต้นนี่คือสภาพของนรกและของสวรรค์ ที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วความฝันที่เราฝันกันนี่เป็นเหมือนหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างของสวรรค์เรื่อนหนังตัวอย่างของนรกของอบายให้เราได้เสพได้ได้ดูเป็นตัวอย่าง่อนนี่แหละคือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วบุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้นี่ จะเป็นผู้ที่มาสร้างสวรรค์สร้างอบายให้กับเราจนกว่าบุญเลอบามันหมดกำลังที่จะมาสร้างบุญสร้างสร้างอบายสร้างสวรรค์ให้กับเราเราก็จะได้มาเกิดใหม่ได้มาได้ร่างกายอันใหม่พอได้ข้อออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาขึ้นมาก็เหมือนตื่นนอนขึ้นมา เหล็กที่ข้อดออกมานี่ก็เป็นเหมือ mm. นคนที่ตายคนที่นอนหลับไปในชาติก่อนคนที่ตายไปในชาติก่อนนั mm ้น hmm. เ, เราทิ้งร่างกายเราในขณะที่เราตายไปก็เหมือนเรานอนหลับไปแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่คล mm. อดออกมาจากท้องแม่พอตื่นขึ้นมา mm. พอลืมตาขึ้นมา mm. ก็เหมือนกับเราเพิ่งตื่นขึ้นมาใหม่แต่ตื่นด้วยร่างกายอันใหม่เห mm. มือนกับความตายนี่ก็เป็นเหมือนกับการใบเปลี่ยนร่างกายดีๆนี่เอง แต่กว่าจะได้ร่างกายอันใหมน่นี้อาจจะใช้เวลายาวนานมากก็ได้ไม่มีใครรู้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้สร้างเอาไว้ได้ทำเอาไว้มันมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราจะต้องไปใช้รับใช้ผลบุญผลบาปไปก่อนจนกว่าเราจะได้กลับมามาเกิดเป็นมนุษย์และการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ว่ามีร่างกายมนุษย์รอให้เรามาเกิดหรือไม่ เพราะมันก็การจะมีร่างกายมนุษย์ได้ก็ต้องมีพ่อมีแม่ถ้ามีพ่อแม่จํานวนน้อยผลิตลูกน้อยดวงวิญญาณที่จะมารอรับอาจจะเป็นคิวยาวก็ได้อ่อาจจะต้องรอเป็นอี ก, กี่ปี ก, กี่กี่พบก็ไม่รู้กว่าจะได้ร่างกายกว่าจะถึงคิวของเราที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็ได้ อันนี้แหละก็คือเรื่องราวของพวกเราที่กําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีที่จะยุติการกำมาเกิดเราอาจจะรู้จักวิธีสร้างบุญสร้างสร้างสวรรค์สร้างอบายเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่า ปิดประตูอาบายด้วยการไม่กระทำบาปไม่เสพอาบา ย, ยามุกถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องรักษาศีลด้วยไม่ทำบาปด้วยถึงจะไปสวรรค์ได้เพราะถ้าทำบาปด้วยทำบุญด้วยถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะพาไปอาบายก่อนแต่เรายังอาจจะไม่ได้มาแก้ปัญหา ตัวสำคัญตัวปัญหาที่พาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตัวที่พาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้นี้เราจะไม่รู้กันศาสนาอื่นคำสอนของอาจารย์รูปอื่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปรือ ร, ร, รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด รู้เรื่องของการไปรับผลบุญผลบาปในอบายในสวรรค์แต่จะไม่มีใครรู้เรื่องของเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย อ, อันนี้เป็นเป็นปริศนาที่ไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่นนานานจะมีคนฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาพบความจริงว่าเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณของเราต้องมาเกิดแก่มามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆนั้นก็เกิดจากตัญหาความอยากนั่นเองปัญหาคือความอยากอยากในอะไรอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี่อยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญที่ได้มามันเสื่อมไปมันหมดไป ความอยากสามตัวนี้แหละที่จะพาให้เราจะต้องคอยมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผดัลาได้เพราะการจะเสบ ร, รูปเสียงกดลิ่นรสผดัลาได้นี้เราจะเป็นต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเป็นเครื่องมือใจไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ใจมีเพียงแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจมีความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้มีความนึกคิดและมีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสผลึพภะได้ดังนั้นในขณะ ใจที่เป็นดวงวิญญาณในขณะที่ไม่มีร่างกายใจก็จะต้องพยายามหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือให้ได้<ม>พอพ้นจากอำนาจของบุญของบาปพอรับรับผลบุญผลบาปหมดแล้ว<ม>ก็จะจะมีอิสระอิสระภาพในการที่จะไปหาร่างกาย มาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพพะนี้เ <Okay. S 1> นี่ยใจเป็นผู้ไปหาร่างกายนะไม่ใช่ร่างกายมาหาใจร <Okay. S 1> ่างกายมัน <Okay. S 1> มันเกิดจากการผสมพันธุ์ของพ่อของแม่ <Okay. S 1> แล้วมันจ ะ, ะเจริญเติบโต ต, ต่อไปได้หรือไม่ <Okay. S 1> ก็อยู่ที่ว่ามีใจมาครอบครองมันหรือไม่ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีใจมาครอบครอง okay. โดยที่ส่วนที่ผสมกันก็จะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาไม่เจริญเติบโตเป็นร่างกายขึ้นมาแต่พอมีส่วนที่สามที่มาร่วมด้วยคือมีส่วนของพ่อส่วนของแม่แล้วก็มีดวงวิญญาณที่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาเกาะติดกับร่างกายที่กาลังกาลังจะโตกำลังจะเกิดขึ้นมานี่ กำลังจะตั้งคันขึ้นมาเนี่ยพอมีสามส่วนนี้มารวมกันส่วนหนึ่งของพ่อส่วนหนึ่งของแม่อีกส่วนหนึ่งก็ของเราของดวงวิญญาณของเราพอสามส่วนมารวมตัวกันปับมันก็จะทำให้ตัวอ่อนนั้นเริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมาเริ่มขยายอาการต่างๆออกมาขยายขยายรูปเสียงกินขยายตาหูจมูกนิ้วมือ มีตาหูจมูกมิ้นกายมีอาการสามจุดสองต ะ, ะเดินตบโตขึ้นมาตามลาดับจนพอเรินเต็มที่แล้วก็คลอดออกมาเราคลอดออกมาสิ่งแรกก็จะได้สัมผัสก็คืออุณภูมิของของที่อยู่นอกคันแล้วก็สัมผัสกับแสงถ้าลืมตาขึ้นมาก็จะได้สัมผัสกับแสงกับรูปได้ยินเสียงขึ้นมา น, นั้นก็เหมือนคนที่นอนหลับรอเตื่นขึ้นมาแล้วก็จะรอให้ร่างกายนี้แข็งแรงจะเริยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจที่มีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านต า, ตาหูจมูกนิ้นกายก็จะใช้สั่งให้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เสพอยู่เรื่อยพอได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิด สุขเวทนาขึ้นมาในใจแล้วพอเกิดสุขเวทนาก็จะเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาอยากให้มีสุขเวทนาไปเรื่อยๆไม่อยากให้สุขเวทนาหายไปถ้าสุขเวทนาหายไปก็จะเกิดความเศร้าวความเสียใจขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่จะมา ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาใหม่การดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างนี้ใจก็จะคอยวิ่งหาสุขเวทนาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเวลาสูญเสียความสุขเวทนาของรูปเสียงกลิ่นรสไปก็จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสอันใหม่มาสร้างความสุขเวทนาให้กับใจได้เสพเรื่อยๆเช่นเดียวกับเวลาที่ไปเจอทุกขเวทนา เช่นเวลาสิ่งที่ได้มามันเกิดมันเสียไปเกิดมันมีปัญหาขึ้นมามันก็สร้างความทุกขเวทนาให้กับใจได้ซื้อของมาใช้ได้ปั๊บเดียวอาเสียไปแล้วไม่สามารถใช้ได้อีกตอนนั้นสุขเวทนาที่ได้จากการใช้ของนั้นก็หายไปทุกขเวทนาที่เกิดจากการไม่ได้ใช้ของก็จะเกิดขึ้นมาก็จะต้องเอาไปแก้เอาไปเอาไปซ่อม ถ้าแก้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็ต้องออกไปเปลี่ยนเอาไปขายทิ้งไปแล้วก็ไปซื้ออันใหม่มาใจก็จะนิ่งลอยอยู่กับการหาสุขเวทนานิ่นรอยอยู่กับการกำจัดทุกขเวทนาที่ตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียใจความเครียดเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้ ไม่สามารถอันหาสุ ข, ขเวทนาได้ไม่สามารถที่จะกำจัดทุกขเวทนาได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอาการเจ็บปวดทางร่างกายก็อยากจะให้มันหายไปแต่ก็ไม่ไม่สามารถทำให้มันหายไปได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางใจอีกชั้นหนึ่งนี่ก็คือ ปัญหาของการที่มาเกิดไม่ใช่ว่ามาเกิดแล้วจะได้มาทาได้หาในสิ่งที่เรารักเราชอบที่จะทำให้เรามีความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของสองด้านมีทั้งส่วนที่เป็นสุขและมีทั้งส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่เป็นสุขเวลามันหายไปมันหมดไปหรือเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องคอยแก้ไขคอยดินนคอยเปลี่ยนแปลงมันอยู่เรื่อย เวลาที่แก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทุกทรมานใจไปกับการที่จะต้องอยู่กับความที่ของที่เราไม่รักเราไม่ชอบเวลาที่เราสูญเสียของที่เรารักเราชอบไปแล้วเราไม่สามารถเอามันกลับมาได้เราก็ต้องอยู่แบบเศร้าโศกเสียใจบางคนเสียคนที่รักไปไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกเนี่ยบางทีตายไปหลายปีแล้วใจก็ยังทุกข์อยู่ยังเศร้าอยู่ เพราะว่ายัางอยากจะให้เขากลับมาแต่เขาก็ไม่มีวันกลับมาแล้วเขาไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำไงทำให้ใจไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปทุกข์กับคนที่ตายไปแล้ว<ม>ถ้าไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้<ม>แต่ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนว่า<ม><ม>ความทุกข์ใจของเราเนี้เกิดจากความอยากของเรา อย่างนี้อยากได้ในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหามาได้เช่นอยากให้คนตายไปแล้วฟื้นกลับคืนมาใม่อยากว่าจนมันตายคนที่ตายไปนั้นก็จะไม่มีวันฟื้นกลับคืนขึ้นมาใหม่อยากจะได้ของที่เราหายเสียไปแล้วหายไปแล้วกลับคืนขึ้นมาใหม่มันก็ไม่กลับมาถ้ามันจะกลับมามันมันมันก็เป็นไปไม่ได้ของบางอย่างอาจจะกลับมาได้แต่ของบางอย่างไม่กลับแล้วไปแล้วไม่กลับ เขาไม่อยาอาจจะ ก, กลับมาเช่นคนขโมยเงินเราไปตำรวจอาจจะตามจับได้ตามจับแล้วก็อาจจะเอาเงินมาคืนเราก็ได้แต่น้อยมากที่จะมีโอกาสได้ของคืนมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจเขาเจ้าบอกเราต้องตัดความอยากไปตัดใจไปอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่มันไปแล้วมันหมันจากเราไปแล้วแล้วอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี พ็อยากได้ในสิ่งที่ไม่มีพอไม่ได้ก็จะเสียใจทุกใจ<ม>แล้วอย่าไปอยากได้สิ่งที่เรามีเพราะสิ่งที่เรามีวันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะต้องจากเราไปก็ได้พอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจดัง<ม>นั้นโดยสรุปถ้าเราไม่อยากจะมาทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่า้ตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, <ม>เราก็ต้องตัดความอยาก ในสิ่งต่าง ๆ, ๆไปให้หมดอยากไปอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายแต่ถ้าเรายังมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่อย่างอยากอยากได้ลาบยศสารเสริอเพราะลาบยศสารเสริญนี้มันจะทำให้เราสามารถไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆได้ง่ายนันเอง พอมีเงินมีทองอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรต่างๆก็สามารถซื้อได้<ม>แต่สิ่งที่เราซื้อมาทั้งหมดนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวทั้นเองพอได้มาใหม่ๆก็มีความสุขพอเวลาผ่านไปไม่กี่วันความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราซื้อมานั้นก็หมดไปมันก็ทําให้เราอยากจะไปซื้อของใหม่เรื่อยๆ ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอซื้อไปจกนกระทั่งบางทีไม่มีเงนินจะซื้อก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกดงั้นการที่เราทำตามความอย่างนี้มันมีแต่จะพาให้เราไปเจอแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆมันจะพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายตการที่เราจะต้อง ทุกข์กับการไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาแล้วก็ทุกข์กับการที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไปเราก็ต้องตัดความอยากที่มีในสามตัวนี้ตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิภภ่นรสผลตถธภะไม่ว่าการมาตัณหาตัดความอยากได้อยากได้ลาบยศสารเสริญตัดความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญ ข, ของเราจากเราไป ความอยากสามตัวนี้แหละที่จะพาให้เราต้องกลับมามีร่างกายมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอมีร่างกายก็ต้องมีความทุกข์ตามมาร่างกายเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันไม่สุขเลยนะต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องไปให้หมอฉีดยาให้หมอผ่าตัดนีแต่อาการเจ็บมีแจะทุกขเวทนาตลอดเวลาแล้วจะทาอะไรก็ทาไม่ได้จะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มก็ทาไม่ได้ นี่คือปัญหาของการที่เราปล่อยให้ใจเราทำอะไตามความอยากอยู่เ ร, Guys, เรื่อย ๆ, ๆมันก็จะพาให้เรามาเจอกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทำให้เรามาเจอกับการต้องมาเกิด네มีร่างกายแล้วพอมีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการป้องกันรักษาร่างกายให้อยู่ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็ทุกอยู่กับความความเสื่อมของร่างกาย ร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปค่อยแก่ลงไปค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดร่างกายมันก็ต้องตายไปพอตายไปไม่ใช่ว่ามันจะจบอยู่ที่แค่ตรงนั้นใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากที่จะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไป ใจที่มีความอยากก็จะไปหาร่างกายใหม่มาให้มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราจึงมีการเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแล้ก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าที่เราได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าและสอนวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ต่างๆที่จเกิดจากการมาเกิดได้ด้วยการหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็หยุดด้วยหยุดกามาตันหาหยุดภาวะตัณหาและหยุดวิภาวะตัณหาและสิ่งที่จะสามารถทําให้เราหยุดกามาตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็คือการปฏิบัติทำที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเราต้องมารักษาศีลกัน มายับมาสกัดความอยากที่เกิดจากการไปทำทำผิดศีลพ mm hmm. อมีศีลก็จะห้ามไม่ให้ไปทําตามความอยากได้ศีลแต่ก็จะห้ามได้หลายข้อห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้หาความสุขกับแฟนไม่ให้หาความสุขจากการินการดื่มมากเกินไปตามไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟังอะไรต่างๆ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นความอยากแล้วก็ไปนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้หยุดความอยาก เวลาใจนิ่งใจหยุดคิดความอยากก็หยุดทํางานก็จะหยุดความอยากด้วยเป็นภักๆไปแล้วก็พอได้หยุดหยุดความอยากได้ด้วยสมาธิละขั้นต่อไปก็มาสอนใจให้ใช้ปัญญามาทําลายความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขเพาความสุขที่ได้จากการทําความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่จะจางหายไปหมดไปแล้วพอมันหมดไปก็จะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้า น, นี่คือเครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญากันเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะระได้หยุดความอยากได้ลาบยศเสรเสริญได้ หยุดความอยากที่จะให้ราบยศสารเสริญไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดได้พอเราหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเจ็บเจ็บตายต่อไปใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจเราก็จะเข้าสู่พันธิพานได้<ม>นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้เรื่องราวของตัวเราเองว่าตัวเรานี้เป็นใครและกําลังทําอะไรอยู่ แล้วทำแล้วเราควรจะทำยังไงกับกับตัวของเราเองกับการกระทำของเราเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์อย่างที่เรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้ก็คือให้เรามาปฏิบัติศีลเสนสมาธิปัญญากันถ้าปฏิบัติได้แล้วต่อไปปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปจากใจเราก็จะได้วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เข้าสู่พระนิพพาน ที่ที่มีแต่ความสดไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ก็คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมที่มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวากวาหาปุราปาริกุเรนติสาครังเอวเมวะอโตจิง น, นางเปตานาังอุป ก, กาปติ อิจิตังภะทิฏังสุมหังชิปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนารัโยยธามณิโชติรัศโยยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีบิษามิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวาทานเตอายุวโนสุขังหาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 พระอาจารย์สุชาติอพิชาโต452 YouTube พระสุชาติไลฟ์305 YouTube ด r V c ช annel 43วิทยุออนไลน์8 c l ับ h ฮ u s ์7ผู้รับฟังธรรมนากุติ118คนรวมทั้งหมด933ครับถ้ามีคาถามอะไรก็ถามได้เลย หนึ่งคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับหลวงปู่มีอะไรจะแนะนำในการปฏิบัติทางจิตใจบ้างไหมครับก็แนะนำมาตั้งชั่วโมงแล้วไ <c oughs> ม่จะพูดอะไรก็เรื่องปฏิทั้งจิตใจทั้งนั้นที่พูดถึงนี่อย่าทำบาปนี่ก็เรื่องของจิตใจทำบาปแล้วใจจะร้อน <c oughs> ใจจะทุกข์ <c oughs> ทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสุขใจจะอิ่มใจชำนาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ใจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่ก็คือสรุปเรื่องของใจจะทําอะไรเลือกสามข้อนี้ก็แล้วกันอย่าทําบาปถ้าอยากจะให้ใจไม่ร้อนไม่ทุกข์ถ้าอยากจะให้ใจสุขใจเย็นใจสบายให้ทําบุญแล้วถ้าอยากจะให้ไม่ใจไม่มีความทุกข์กับเรื่องใดทั้งสิ้นก็ให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการปฏิบัติจิตตะภาวนาทานนี้ก็จะได้ครบทุกอย่างตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนทุกประการคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาเราจะแยกกายกับจิตได้ด้วยการเข้าสมาธิให้มากทนการเจ็บปวดจนจิตปล่อยวางเองใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าใจกับร่างกายไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันใจเป็นนายกายเป็นบา่าวคาถามต่อไปจากคุณทีฆัตนาจิตกับกายเป็นคนละส่วนกันถ้าเราสามารถรู้ความจริงแล้วว่าเราไม่ใช่ร่างกายเรามาพิจารณาจิตให้รู้ว่าจิตเป็นผู้รู้และผู้คิด โดยเราไม่ไปตามผู้คิดแล้วรู้ตัวบ่อยๆจะเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงแม้ผู้รู้และผู้คิดแบบนี้คิดถูกต้องไหมครับโดยรู้แค่ว่ามันเป็นเพียงสังขารที่ทาหน้าที่ของมันเท่านั้นไม่มีตัวมีตนครับต้องรู้ว่าความคิดของใจที่เกิดความอยากนี่เป็นความคิดที่ไม่ดีอย่าปล่อยให้คิดอย่าปล่อยให้ใจคิดอยากได้นู่นอยากมีนีอนนน่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้ ความคิดเหล่านี้จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องให้ใจหยุดคิดเให้รู้เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์หมดแล้วนะคําถามต่อไปจากคุณอุตรี เราต้องมีศีลสมาธิถึงจะเกิดปัญญาใช่ไหมครับก็ทำเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนกันเนี่ยพระเจ้าบอกว่าศีลนี้จะเป็นผู้อบรมสมาธิเป็นผู้ทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาได้ต้องมีศีลถ้ายังรักษาศีลไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้ายังกินเหล้าเมายาอยู่นี่ไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าไปปล้นไปจี้ธนาคารก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิ ดน้นต้องมีศีลก่อนเมื่อมีศีลแล้วศีลก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดสมาธิขึ้นมาแต่สมาธิไม่เกิดจากศีลเข้าใจไหมแต่เป็นผู้ผู้สนับสนุนศีล ส, สมาธิจะเกิดจากการมีสติอย่างต่อเนื่อง <S S <Yeah. S 2> การจะมีสติอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีศีลคอยป้องกันไม่ให้ไม่ให้จิตไปคิดไปในทางที่ไม่ดี แล้วก็พอมีสมาธิแล้วสมาธินี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดปัญญาเพาเวลาจิตสงบแล้วจิตจะเป็นจิตที่บริจิตที่เป็นกลางจิตที่ดมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มีอคติเวลาจิตสงบเป็นสมาธิจะมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็สามารถเอาจิตนี้มาสอนใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าทุกเกิดจากอะไร ทุกเกิดจากความอยากเป็นตน้นแล้วสิ่งที่อยากก็ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราอยากไปก็จะไม่สามารถเก็บในสิ่งที่เราอยากได้ไว้อยู่ดีก็ต้องปล่อยสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ไปอันนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาสีลจะช่วยสนับสนุนให้การมีปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ ปัญญาเกิดจากการไข้ควรพิจารณาตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้ามีปัญญาก็จะเป็นผู้สนับสนุนจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์อีกทีเนี่ยทำเหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งก็จะสนับสนุนให้ขึ้นขั้นที่สองได้ง่ายขั้นที่สองก็สนับสนุนให้ขึ้นขั้นที่สามได้ง่ายถ้า ไม่มีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจะขึ้นขั้นที่สามเลยมันก็ยากไม่รู้จะไปขึ้นอย่างไรออันนี้คือเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวดองกันเกี่ยวข้องกันที่สนับสนุนกันศีล ส, สมาศีล ส, สนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราเคยพลาดผิดศีลข้อที่สามชีวิตร่วงลงแล้วเราสํานึกได้แล้วหยุดทําแล้วกลับมาตั้งมั่นในศีลจะช่วยให้ดีขึ้นได้ไหมครับได้ก็เหมือนคนที่เดินหกล้มเนี่ยเดินหกล้มไปแล้วมันก็เจ็บไปแล้วถ้าเราสํานึกว่าเดินแบบนี้ไม่ดีต้องระวังอย่าไปหกล้มต่อไปเราก็ไม่หกล้มเนื่องว่า ถ้าเรารู้ว่าเราทำพลาดไปแล้วเราอย่ากลับไปทำอีกเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ว่าผิดก็ก็้าจะไปทำอีกว่าไม่เป็นไรเเรื่องล็กน้อยจิ๊บจ้อยทำต่อไปได้มันก็จะทำผิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าสานึกผิดแล้วแสดงว่ามันเห็นโทษของการกระทำผิดว่ามันเสียหายมันไม่ดีอย่าไปทำซ้ำอีกอย่าให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ารอยคาถามต่อไปจากคุณหนึ่งรือไทย ปกติจะนั่งสมาธิตอนกลางคืนถ้าจะให้นั่งสมาธิภาวนาได้ดีในตอนกลางคืนระหว่างวันเราควรตามดูจิตควบคุมจิตของตนถูกต้องไหมครับไม่ควรดูจิตนะไม่ควรตามดูจิตควรให้จิตให้ให้อยู่กับพุทโธอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไวไว่คอยหยุดจิต ด, ดีกว่าถ้าไปตามดูจิตมันจะไม่หยุดจิตมันก็จะคิดไปเรื่อย เหมือนไล่ไล่จับดิงเงี้ยถ้าไปคอยไล่จับดิงดิงมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้ดิงไม่ไม่วิ่งไปไหนก็เชือกมาลัดคอมันไวจิตก็เหมือนกันอย่าไปอย่าไปตามไล่มันมันไม่ยอมหยุดหรอกด้วยการตามไล่มันตามดูมันเราต้องใช้เชือกผูกมันไว้ให้มันอยู่กับที่เช่นพุทโธพุทโธพุทโธคำถามต่อไปจากคุณมนชนก ทำว่าปล่อยวางความคิดทำได้อย่างไรครับคือไม่ทำตามความคิดที่ไม่ดีไงเรคิดว่านา่งกายนี้เป็นตัวเราของเราอย่างนี้เราคิดว่าไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานา่งกายเที่ยงไม่ใช่ร่างกายไม่เที่ยงนั่งกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีอย่าไปคิดตามอย่าไปเชื่อความคิดที่ไม่ดีให้เชื่อความคิดที่ดีเชื่อความคิดที่เป็นความจริง คำถามต่อไปจากคุณทัวภาวนาพุทโธดูลมหายใจจนลมเบาสบายสงบว่างเกิดปิติผลลุกเป็นช่วงๆครับพยายามทําต่อไปเรื่อยๆแต่จิตไม่รวมไม่ทราบว่าทำถูกไหมครับกราบขอคําแนะนําแนวทางที่จะทําให้จิตรวมได้ครับก็ต้องดูอยู่ที่จุดเดิมแล้วก็อย่าไปอยากให้มันรวมตางทีดูแล้วอยากไปให้มันรวมมันก็เลยไม่รวมดูไปเรื่อยๆดูไปที่จุดเดิม ยูที่ตรงจุดที่เราดูลมหายใจนะถึงแม้จะไม่มีลมให้ดูก็ดูดูไปที่จุดเดิมแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเองแต่อย่าไปอยากให้มันรวมยิ่งอยากมันก็จะไม่รวมดูเฉยๆคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราตั้งใจดูแลพ่อแม่คอยปลดหนี้ให้เสมอแต่ถ้าแม่เรายังไม่หยุดเล่นการพนันที่เป็นเหตุให้เกิดหนี้สินเราเลยหยุดช่วยเหลือ แบบนี้เราเป็นบาปอากตันอยู่ไหมครับก็คนที่จะเตือนไว้ก่อนบอกลวงหน้าไว้ก่อนว่าแม่หมดแล้วนะขั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะช่วยถ้ายังไปมีหนี้ใหมน่นี่แม่ต้องจ่ายเองนะอย่างนี้ก็เพราะว่าเราก็ท ำ, ทำเต็มที่แล้วทำแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือแคเธอกลับไปส่งเสริมให้เธอไปติดการพนันไปติดการมีหนี้อยู่เรื่อย การห ย, หยุดสนับสนุนแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นความอากาตันอยู่แต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณอาชาญที่เกิดจากการเดินสมาธิจงกรมอารมณ์ชาญ น, นั้นจะอยู่ได้ยาวนานกว่าชาญที่เกิดจากการนั่งสมาธิใช่ไหมครับเ อ, อ๋อไม่แน่นอนหรอกมันอยู่ที่สติถ้าสติมีมากมันก็จะอยู่ได้นานสติมี น, น้อยมันก็อยู่ได้ไม่นานไม่ว่าจะอยู่ในเรยาบทไหนนั่งหรือยืนก็ตาม นั mm hmm. ้นเราก็ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วสนใจให้อยู่ที่สติพยายามรักษาสติสร้างสติให้มีอยู่เรื่อยๆแล้วผลของการมีสติก็จะทำให้ใจสงบไปเรื่อยๆนั่นเองมีใครอยากจะถามอะไรไหมเข้ามาได้เชิญเ๋ยวมาหยิบไมโครโฟนไปกรบาบในมัสการเจ้าค่ะ สิทธ์ตอนนี้ลูกสิทธ์กำลังดูแลผู้สูงอายุค่ะท่านอายุประมาณเก้าสิบเอ็ดแล้วก็จะมีความทุกข์ในทุกๆครั้งที่ลืมตาตื่นมาแล้วจะเ ล, เล่าแต่เรื่องของความฝันที่ ท, ท่านไม่เคยฝันดีเลยอย่างนี้ค่ะความฝันนี่เราห้ามไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมของบาปที่เราทำไว้ก็ต้องสอนแกบอกว่า ไม่ต้องไปกลัวมันมันก็เป็นมันทำลายเราไม่ได้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปผ่านไปอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดมันตัวนี้มันจะสร้างให้ทำให้ใจเราทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องเจอก็เจอกับมันไปโดยที่ไม่มีความอยากให้มันไม่เกิดขึ้นมาใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันต้องบอกว่าต้องยอมรับกรรมไป ผันไม่ดีก็ผ่านไม่ดีแล้วมันก็ผ่านไปมันทํำไรเราไม่ได้มันเพียงแต่มาสร้างความไม่ดีให้กับเราได้สัมผัสรับรู้ทั้งนี้แต่ถ้าเรายิ่งไปอยากให้มันไม่เกิดมันยิ่งจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอย่างมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดยินดีต้อนรับมันบอกเชิญมาเลยเหมือนตอนนี้มีแต่ลายการหนังไม่ดีให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆอย่าไปอยากดูหนังดีแล้วเดี๋ยวถึงคิวหนังดีมามันก็จะมาเองอันนี้มีแต่หนังไม่ดีให้ดูก็ดูมันไป มันเป็นกรรมของเราที่จะต้องดูหนังไม่ดีเพราะเราไปสร้างมันขึ้นมาเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณกิตวดีถ้าเรารักษาศีลอยู่กับบ้านเราไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาวใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราจะใสอะไรก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าอยู่ บ, า, <laughs> บางบนี่เหมือนได้เหรมัน มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าสินที่ที่เรารักษานี้ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่เราใส่เสื้อผ้ามีไว้ปกปิดร่างกายให้ดูแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุเลตตาเท่านั้นเองทีนี้เขาก็มีความนิยมว่าถ้าถือสีนก็ให้ใส่เครื่องแบบของผู้ที่ถือสีนผู้ที่ถือสินก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวหรื อ, ห ร, อหรือนุ่งดำห่มขาวบางทางภาคอีสานเขาจะไม่นุ่งขาวห่มขาวเขาจะนิยม น, นุ่งดำแล้วก็ห่มขาวกันแต่ทางภาคกลางนี้ก็จะนิยมนุ่งขาวห่มขาวก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นตัวศีตัวสีอยู่ที่การกระทำถ้าไม่กระทำละเมิดสีห้าก็จะก็ถือว่าได้รักษาสีห้าถ้าไม่ละเมิดสีแปดก็ถือว่าได้รักษาสีแปดไม่ได้อยู่ที่ว่าใส่ชุดนี้แล้วจะมีสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสีนจะมีไม่มีอยู่ที่การละเมิดหรือไม่ละเมิด ถ้าไม่ละเมิดเราก็มีสี่งถ้าละเมิดเราก็จะไม่มีสิ่มีอีกไหมคำถามโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็จะได้ปิดการมาชุมไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนมเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัต